หมดก็หันหน้าเข้าหากันอีกครั้งรู้สึกว่าเมยานีจะพูดทิ้งค้างไวเป็นปริศนามากนะจะกระราหรือแงซายกำลังปฏิบัติภารกิจเอ๊ะมันจะเป็นภารกิจอะไรนะอนุชาตั้งคำถามขึ้นมากับทุกคนใช่สิแล้วก็บอกด้วยว่าเป็นการปฏิบัติภารกิจเนะี่เป็นไปเพื่อช่วยให้ฝ่ายเราและฝ่ายของรพิน ได้มาถึงที่นี่สำเร็จปลอดภัยด้วยที่ชายันเสือมาอีกคนหนึ่งอย่างงงงเชษฐารีตาลงเอามือลูบลายคางอืมแงาสายน่ะเป็นลูกศิษย์ของมหาฤาษีโกนทัญญะแล้วก็เป็นคนที่มียานสูงมากด้วยนะท่านหัวนาคณะกล่าวขึ้นแผวเบาอย่างระมัดระวัง แต่เราอย่าเพิ่งคิดเดาอะไรออกไปก่อนเลยก็อย่างที่เมยานีบอกนั่นแหละเมื่อไปถึงแล้วเราก็จะได้เห็นเองฟังตามคําพูดของเมยานีแล้วมันดูเหมือนกับว่านับตั้งแต่พวกเรามีการเคลื่อนไหวออกเดินทางมาในครั้งนี้แง่าสายจะล่วงรู้หมดทุกระยะทุกฝีก้าวย่างทีเดียวขนาดกําหนดเวลาที่เราจะเหยียบขึ้นถนนประสิวะและจุดตําแหน่งไต่ทางขึ้นได้ ยังสามารถรับรู้ได้ล่วงหน้ามิฉะนั้นกองทัพของเมยานีก็คงไม่ไปคอยดักรอยอยู่ถูกต้องดาริเนเงียบเฉยในระหว่างที่พี่ๆปรึกษาหารือกันเองหล่อนกำลังใช้ความพิเคราะห์ใคร่ควรหนักอยู่เช่นกันเว้นแต่จะไม่พูดเท่านั้นหลอนน่าจะระหนักในสิ่งลี้ลับที่เป็นปัญหาของพวกพี่ๆได้อย่างดีที่สุด พระปรากฏการมหัศจันแตกแปลกมันได้ผ่านเข้ามาทางกระแสะจิตของหล่อนตั้งแต่ต้นแล้วนับแต่รพินผลเดินทางจากหนองน้ําแห้งมาทีเดียวและแม้ครั้งล่าสุดก่อนที่ทั้งคณะจะเดินทางมาพบกับกองทัพวานอนของวายาซึ่งหล่อนเป็นคนเดินนำหน้าขบวนทั้งหมดมานั้นหล่อนก็มองเห็นเงาของแง่ทายด้วยคลองจักรสุของตนเองเป็นผู้นําทิศทางแก่หล่อน โดยที่บุคคลอื่นที่เดินตามมาเบื้องหลังไม่อาจจะเห็นได้มันมีอยู่หลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินที่ดารินจำเป็นจะต้องเก็บงําไว้ในความรู้เห็นและเข้าใจของตนเองตามลำพังและตลอดไปชนิดจะปรีปากบอกใครไม่ได้เลยมันแน่ซอยิ่งกว่าแน่ในข้อที่ว่าหากแง่ทายไม่ส่งพลังอานาจจิตเข้ามาคอยเป็นพี่เลี้ยงชี้นาและชักจูง โดยเจาะจงผ่านมาทั้งหล่อนโดยเฉพาะแล้วก็ไม่มีวันหรอกที่ทั้งคณะจะหวนกลับมายัางดินแดนมรดกนครได้อีกครั้งมันพิสูจน์ได้แน่ชัดแล้วว่าหล่อนไม่ได้หลงคิดเพอ้อพกไปเองด้วยอุปาทานแต่มันเป็นมิติแห่งดวงจิตที่ทรงพลังอย่างมหาศาลประดุดกระแสะคลื่นของแม่เหล็กอันส่งมาบงการชักนําอยู่เหนือดวงจิตของหล่อนโดยตลอด ทั้งภาพในนิมิตฝันและภาพที่เห็นทางจักสุประศาท์ในลักษณะลับๆ ล, ล่อๆคล้ายภาพมายาจริงอยู่แง่ซรายไม่ได้มีตัวตนมาคอยรับใช้หรือเดินร่วมอยู่กับคณะของหลอนในการเดินทางมาในครั้งนี้เลยแต่เขามาด้วยกระแสจิตมาด้วยกายทิพย์อย่างแน่ชัดและก็มาเพื่อให้เห็นรู้เห็นเพียงลาพังคนเดียว แบบกิจสัมผัสเฉพาะตัวบุคคลเพราะฉะนั้นบัตรนี้ดารินจึงสรุปได้แล้วว่าตลอดระยะเวลาแห่งการติดตามระพินครั้งนี้มีแงสายเจ้าอดีตคนใช้เก่าแก่ร่วมทางมาด้วยทำหน้าที่มักคุเทศนำทางโดยไม่มีร่างกายแง่สายผู้สามารถล่วงรู้และรับรู้ไปถึงอดีตชาติของหล่อน สมัยที่ยังเป็นมกุฎราชกุมารีกิตรางคนางอย่างปลุกโปร่และอาจจะรู้เห็นเรื่องราวในอดีตของตัวหลอนยิ่งเสียกว่าเจ้าตัวเองซ้ำไปสิ่งอันเคยเป็นข้อปริศนาคลุมเครือของหลอนณันะบัตรนี้มันกระจ่างชัดขึ้นมาแล้วอย่างไม่มีข้อเครือบแคลงสงสัยอีกต่อไปเงาทายไม่ได้เป็นแต่เพียงกริย์ ผู้ครองแผ่นดินมรกฎนครอันศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นเขายังมีอิทธิอํานาจทางกิจสูงส่งเช่นเดียวกับโยคีผู้บรรลุถึงชานชั้นสูงแล้วอันน่าจะเกิดมาจากพื้นภูมิกำเนิดเดิมประกอบกับการเพียนบำเพ็ญปฏิบัติหรือมิฉะนั้นก็โดยการมอบประทานมาให้เป็นพิเศษจากเท พ, พเจ้าภายหลังจากได้ครองบัลลังก์มรกฎนครแล้วเดี๋ยวนี้ ดารินรู้แล้วว่าเงยทายกําลังปฏิบัติภารกิจด้วยวัดชนิดใดอยู่แต่ไม่ใช่หน้าที่ของหล่อนที่จะต้องให้อัธยาศัายแก่พวกพี่ๆซึ่งกําลังถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในขณะนี้ต่อมาอีกเพียงครู่เดียวเชษฐาก็สั่งให้ทุกคนนอนพักเอาแรงวะและบอกให้พวกลูกหากและขยินกนานอินออกไปนอนยังกระโจมที่จัดไว้สําหรับฝ่ายของตน ก่อนที่จะหลับไปดารินได้ยินทั้งสามชายปรึกษาหารือกันอีกสองสามประโยคเกี่ยวกับการเดินทางเข้าสู่มหานครในวันพรุ่งนี้เพราะทุกคนจำทางแยกไปสู่ศาลหรือมหาปราศาสตร์ของอุมาเทวีอันเป็นตำแหน่งอับปางของเครื่องบีหิได้เป็นอย่างดีโดยอนุชาและชยันเสนอว่าควรจะแวะเข้าไปดูซากเครื่องบินตกซะก่อนแต่เชษฐาทวงว่าให้เดินทางเข้าสู่ราชฐาน ตามคำสั่งของจักรราชก่อนอื่นใดทั้งสิน้นพระซาเครื่องบินจะไปดูเมื่อไหร่ก็ย่อมได้ขอได้พบแง่ทายซะ ก, ก่อนเท่านั้นแล้วทุกคนก็หลับไปอย่างสงบสันติสุขท่ามกลางกองทัพม้าของเมยนีที่พักพลรายล้อมอยู่รอบด้านรุ่งขึ้น ทั้งหมดของฝ่ายอาคันตุกะต่างแดนพากันตื่นขึ้นตั้งแต่ก่อนตะวันขึ้นด้วยความแช่มชื่นกระปรี้กระเปล่าภายหลังรับประทานอาหารเรียบร้อยพวกทหารก็เข้ามาเก็บกระโจมพักและจัดมา้ามาให้ทันทีเพื่อเตรียมออกเดินทางขณะนั้นสุกรีเหาะม้าเฉียดเข้ามาบอกแกคณะทั้งหมดด้วยสีหน้ายิ้มแยม้มทันทั้งหลาย มีพระราชวสวนีมาว่าหากพวกท่านทั้งหลายพร้อมแล้วเราก็จะออกเดินทางกันเดี๋ยวนี้เลยพวกเราพร้อมแล้วสุกรีเชิดถาตอบและสั่งให้ทุกคนขึ้นหลังม้าโดยไม่รอช้าท่ามกลางคำบวชทับที่เริ่มจัดแถวอย่างรวดเร็วและช่วยอีกระยะไม่นานต่อมาทั้งหมดก็เริ่มเคลื่อนที่บ่ายหน้ามุ่งเข้าสู่มหานครตามท้องถนนอันกว้างใหญ่ ที่ตัดผ่านไประหว่างขุนเขาสูงสูงต่ำาๆเป็นทิวสลับซับซ้อนนั้นครั้งแรกก็เริ่มควบเหยาะไปอย่างช้าชาก่อนแล้วก็ค่อยคอยทวีความเร็วขึ้นตามลำดับจนกระทั่งกลายเป็นเกือบห่อตะบึงกลุ่มของเชษฐาซึ่งถูกแวดล้อมอยู่ตรงกลางขบวนพลอยถูกบังคับให้ต้องเร่งฝีเท้ามาขึ้นไปด้วยรือมีกองทหารที่เปรียบเหมือนพี่เลี้ยงใกล้ชิด ควบประกบคอยระวังดูแลอยู่ทุกคนรู้สึกถึงสภาพอันเป็นการเร่งเวลาเดินทางอย่างแน่ชัดผิดกับอาการที่เคลื่อนย่อไปตามสบายของการเดินทางเมื่อบ่ายวานนี้ไม่มีใครมองเห็นราชีนีเมยานีในละแวกใกล้ตัวที่ถูกแวดล้อมอยู่โดยทาหารทั้งหลายไม่ทราบว่านางขี่มาอยู่ในตำแหน่งใดต่อเมื่อเวลาล่วงผ่านไปประมาณสักชั่วโมงสิบ กองทัพผ่านนิคมคามแห่งหนึ่งในบริเวณถนนอันเทลงสู่ที่ราบตา่ำจึงเห็นเงาของภาคลุ่มอังสาสีแดงปลิวสะบัดพริวอยู่ในม่านฝุ่นเบื้องหน้าชะลอฝีเท้ามาลงปล่อยให้มาตัวอื่นๆวิ่งแซงผ่านไปจนกระทั่งขบวนมาของฝ่ายเชิถาวิ่งตามเข้ามาทันนางกิงชักม้าผกผนด้ยานใกล้เข้ามา พวกท่านยังขี่ม้าสึกกันได้ดีทุกคนนางร้องทักมาด้วยเสียงแหลมใสกังวานระคนแย้มสวนเริงร่าเราจะเร่งการเดินทางเพื่อถึงพระนครให้เร็วที่สุดคาดว่าหลังเที่ยงเพียงเล็กน้อยก็คงจะถึงเขตประตูเมืองละเชษฐาอนุชาและช ย, ยันโบกมือตอบแล้วบังคับให้ตามหลังขบวนที่นำไปเบื้องหน้าโดยไม่ได้ผ่อนฝีเท้าลงเลย เมยานีนำมาเข้ามาชิดมาของดารินจนวิ่งเคียงคู่กันตะโกนมานายหญิง ah เมื่อบ่ายวันนี้นายหญิงเ ah กาะหลังม้าของเมยานีเอา้าระวังตัววันนี้เมยานีจะเกาะหลังม้าของนายหญิงมากละ่ะพร้อมกระ บ, บอกเช่นนั้นอนดีตบุตรสาวหัวหน้ากองทัพประชาชนก็ดีดกายขึ้นไปยืนอยู่บนตะโพกม้าสึกของตน แล้ชั่วพริบตานั่นเองก็ลอยและลิ้วตรงเข้าไปซ้อนอยู่ด้านหลังของดารินอยางคล่องแคล่วแม่นยันนางกอดเอวของดารินไว้น้ำหนักตัวและโดยความแรงที่โดดลงมาอย่างผาดผลนั้นแทบจะทำให้หญิงสาวร่วงลงมาจากหลังพาหลังมาดีแต่นางช่วยคว้าสายบังเหียนและรั้งตัวหล่อนไว้ได้ทันพร้อมก็หัวเราะลันน่นนี่ไมยานีถ้าทาให้ฉันใจหายใจคว้าหมดแลวนะ ดารินร้องเสียงหลงในขณะที่ม้าตัวที่หลอนขี่และมีราชินีมรกรนครผู้ตลอดทั้งชีวิตของนางมีชีวิตอยู่บนหลังม้าศึกคร่อมซ้อนอยู่บัตรนี้มันพุ่งปราดไปเบื้องหน้าเรากัลูกธนูด้วยฝีเท้าที่จักเป็นพิเศษเหมือนจะเจาะจงคัดมาให้แล้วตัดหน้าใส่งม้าอื่นๆผ่านขึ้นไปตามลำดับในลักษณะห่อตะบึงเต็มที่แม้จะบรทุกไวถึงสองคนก็ตาม ผู้บังคับมาตอนนี้กลายเป็นเมยานีไปใช่แล้วส่วนม้าของนางนั้นก็วิ่งหลังเปล่าตามหลังมาด้วยติดติดเมื่อบ่ายวันนี้ตอนนายหญิงโดดเกาะม้าของเมยานีเมญ า, านีนะ่าตกใจซะยิ่งกว่านายหญิงอีกเป็นไงเมื่อคืนหลับสบายไหมนายหญิงก็สบายและคิดว่าเป็นสุขที่สุดนับตั้งแต่ออกเดินทางมาล่ะ ดารินตะโกนตอบนี่เธอหายไปไหนตั้งแต่เช้าเพิ่งจะเห็นเราเดี๋ยวนี้เองเมยานีมีภารกิจตรวจบัญชาการทหารอยู่เมื่อใกล้รุ่งนะหน่วยราชเวนหน่วยราตรเว ร, ว ร, าเวรจากมหานครนำกระแสรรับสั่งเดินทางสวนออกมาว่ามีพระประสงค์ให้กองทัพนี่นำคณะของนายหญิงเข้าถึงพระนครโดยเร็วที่สุด อย่าได้ล่าช้าแม้แต่น้อยขนาดนี้น่ะเราเร่งม้าเหมือนยามพุ่งเข้าประจันบานศึกจะไม่ทวงเวลารอช้าอีกแล้วเมยานีกับนายหญิงจะต้องไปนำอยู่ด้านหน้าของกองทหารทั้งหมดเพื่อเร่งทุกม้าให้ควบเต็มฝีเท้าเดี๋ยวนี้ขาดคำของนางม้าที่ดารินขี่อยู่ซึ่งตกอยู่ภายใต้บังคับของเมยานีผู้ซ้อนหลังก็ทวีฝีเท้าเต็มเหยียด แวกออกไปยังที่ว่างริมทางโดยไม่มีม้าอื่นบังกีดขวางอยู่ด้านหน้าแล้วห่อเลี้วโลดพัดผ่านหน้าขบวนม้าของทหารทั้งหลายไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งทันหัวขบวนแล้วขึ้นไปนำอยู่เบื้องหน้าความเร็วของมันปานลมพัดจนดารินรู้สึกใจหายต้องค่อมตัวลงแทบจะแนบอยู่กับหลังและในภาวะเช่นนี้หล่อนไม่อาจตะโกนพูดจาอะไรกับเมยานีได้อีกแล้ว พระพูดไปก็คงไม่ได้ยินเสียงฝีเท้ามาทั้งกองทัพที่ควบสะเทือนตามมาเบื้องหลังเสียงลมที่พัดอู้พานอยู่เบื้องหน้ากลบเสียงอื่นใดหมดสิน้นถามกลางแดดยามสายสีอัมพันที่ฉาบฉายเรืองรองไปทั่วภูมิประเทศ ร, รอบด้านชั่วไม่นานมานำหน้าก็ทิ้งขบวนกองทัพห่างออกไปไกลพอสมควร พระกองทหารทั้งหมดยังต้องรักษาขบวนให้เป็นไปในรูปแถวพร้อมๆกันไม่อาจจะวิ่งได้เต็มฝีเท้านักเพราะห่วงม้าที่บรรทุกสัมภาระและกลุ่มของพวกลูกหาบอยู่ส่วนเชษฐาอนุชาและชยันก็สังเกตเห็นเมยานีโดดเกาะไปบนหลังมาดารินและออกนำาลิ้วไปเบื้องหน้าขบวนโดยแซงม้าอื่นๆไปโดยตลอดจึงพากันเร่งฝีเท้ามาที่ขับขี่อยู่ กวดตามหลังมาด้วยแต่ก็ยังไม่อาจจะกวดไล่ทันทั้งสองหญิงได้เป็นที่น่าประหลาดใจอยูท่ทั้งทั้งที่มาซึ่งนำาลี้วอยู่เบื้องหน้านะแบกภาระหนักบรรทุกไว้ถึงสองคนแม้จะเป็นน้ำหนักของผู้หญิงก็ตามดารินั้นในครั้งแรกหล่อนเริ่มรู้สึกหวาดเสียวเป็นอันมากเพราะตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยควบม้าที่มีความเร็วเช่นนี้มา ก, ก่อน และฝีเท้าม้าศึกของมรกฎนครที่ขับขี่อยู่ในขณะ น, นี้มันก็เร็วจัดผิดไปจากสภาพของม้าแข่งหรือม้าเพื่อการกีฬาที่หลอนเคยขี่มาก่อนแล้วอย่างเทียบกันไม่ได้เลยแต่แล้วชั่วไม่กี่อึดใจต่อมานั่นเองกระแสแห่งความรู้สึกชนิดหนึ่งก็ค่อยๆแล่นเข้ามาครอบงำจิตใจตนเองโดยไม่รู้ตัวเมานีนั้นจริงอยู่เกิด จเจริญวหวเติบโตมาบนหลังม้าสงครามหล่อนต้องมีความเป็นเอตทักคะในการขี่ม้าอย่างแน่นอนแล้วก็ยากที่จะหาใครเสมอเหมือนด้วยแต่เมยานี้จะสำนึกรู้บ้างหรือไม่ว่าในอดีตชาตินั้นดารินคนนี้คือใครและอันว่าจิตกลางคนางนั้นยามใดก็ตามที่ประทับอยู่เหนือหลังม้าศึก ยามนั้นก็ไม่มีนักรบใดในแผ่นดินจะปราดเปรียวว่องไวเทียมเท่าเมื่อวิญญาณเดิมเข้าครอบเงบดารินก็หมดสิ้นความหวาดหวัน่นครั่นใจใดๆต่อไปอีกแล้วมาศึกกับเมญานีแห่งมรกตนครเป็นสิ่งคู่กันฉันใดมาศึกกับจิตรางขนางแห่งนิทรานครก็เป็นของคู่กันฉันนั้นโดยไม่มีการหยุดพักที่ใดเลยทั้งสิน้น การวิ่งของม้าบางระยะก็ควบอย่างตะบึงเต็มที่บางระยะก็อาจจะผ่อนลงบ้างขบวนทั้งหมดเริ่มผ่านนิคมคามเลยเห็นไรนาปัสสัตและบ้านเรือนหนาแน่นขึ้นทุกขณะมีผู้คนประชากรเดินผ่านอยู่ริมทางบางก็นั่งอยู่บนหลังสัตว์พาหนะและรถเทียมพากันหยุดสัญจรหันมาโบกมือให้แกกองทหารของแผ่นดิน ที่เคลื่อนผ่านไปอย่างมีระเบียดนั้นฝ่ายของเชื้าเริ่มจะจำหนทางและภูมิประเทศริมทางผ่านเหล่านั้นได้บ้างแล้วเพราะเคยใช้เป็นย่านสัญจรไปมาและเป็นชุมทางแหล่งรวมพลของกองทัพประชาชนที่ต่อต้านกับอำนาจกดขี่ของกษัตริย์สิงหราและอุปราชรหัสยะผู้อนุชาในอดีตขณะนี้ เมีนย น, นีได้เปลี่ยนมา้ามาเป็นของตนแล้วโดวยขับขี่สบัดย่างอยู่เคียงข้างดารินผ่อนฝีเท้าลงไม่ควบเร็วจนเกินไปนักเมื่อผ่านหมู่บ้านทางนางก็ชี้ชวนให้ดูไปยังภูมิประเทศริมทางผ่านพร้อมทั้งอธิบายให้ทราบเตือนรำลึกย้อนหลังเชษฐาอนุชาชายันตามมาทันแล้วรวมเป็นห้ามา้า ซึ่งเหาะนำอยู่เหนือขบวนทั้งหมดพอตะวันเริ่มตรงสีสะัะก็มาถึงทางใหญ่สองแพร่งซึ่งต่างจำได้ดีที่สุดว่าเป็นเส้นทางที่จะแยกไปยังมหาปราศาสตรของพระแม่เจ้าอุมาเทวีหรือสุสานแหล่งเก็บขุมเพชรมหาศาลทุกคนต่างชี้กันให้ดูทันทีพร้อมกระร้องบอกกันเองอย่างตื่นเต้นนี่นี่นี่ถ้าเราแยกไปทางนี้ อีกเดียวๆ เ, เท่านั้นก็จะถึงปราสาทพระอุมาและเราก็คงจะเห็นซากเครื่องบินตกอยู่บริเวณนั้นเะชยันอุทานออกมาดึงม้าให้ชะลออยู่แต่เมยาณีควบเข้ามาประชิดหยับสายบังเหียนไว้ชุดให้มุ่งไปข้างหน้าตามเดิมพร้อมกระ บ, บอกมาว่ายังไม่ทรงอนุญาตให้พวกพี่ทั้งหมดแยกไปไหนก่อนทั้งนั้นอย่าลืมคํามั่นสัญญาซะสิคะพิชยัน เรามุ่งเข้าสู่ราชฐานก่อนเธอเหลือระยะทางอีกใกล้แค่นี้เรามาถึงเร็วก่อนกำหนดไปมากทีเดียวอดีตนายทหารปืนใหญ่ยิ้มจิตจืดยอมปฏิบัติตามโดยสงบอือจริงของเธอนะโทษทีโทษ ท, ท, ทีพี่อาจจะใจร้อนตื่นเต้นมากไปหน่อยพวกพี่ก็ไม่ควรจะขัดองค์การของจักรราชไงไก็ควรจะได้เฝ้าพระองค์ก่อนอื่นใดทั้งสิ้น มยานีพี่ว่าเราเร่งมาาควบตะบึงมาตลอดตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงแล้วโดยม้าไม่ได้มีโอกาสพักเลยแล้วมันจะต่อไปได้ไหวเหรออนุชาเอ่ยถามขึ้นด้วยความเป็นห่วงขณะที่เอามือตบลงไปบนเบาๆบนก้านคอมาซึ่งเหงื่อแตกเป็นมันระยับและทุกตัวก็มีอาการเช่นเดียวกันหมดพี่กลางค้าไม่ต้องเป็นห่วงหรอก มาศของมรกฎนครน่ะวิ่งได้ตั้งแต่ตะวันขึ้นจนตะวันตกดินโดยไม่ต้องพักทอดหญ้าทอดน้ำเลยค่ะนางตอบมาเพียงเท่านั้นก็กระตุ้นให้เป็นผลตัดผ่านหน้ากลมของอนุชาชัยยันและเชษฐาไปอย่างรวดเร็วครั้นแล้วอีกชั่วไม่นานต่อมานะักขบวนทั้งหมดก็บรรลุถึงที่ราบโลง่งอันกว้างใหญ่และนั่น คือทุ่งหน้ากำแพงเมืองส่วนตะวันออกตำแหน่งที่รพินไทรวันและกลุ่มของเจษฐาทั้งหลายติดตั้งธนูยักษ์เพื่อยิงระเบิดเข้าไปทําลายประตูเมืองเปิดทางให้กองทัพประชาชนบุกทะลวงเข้าไปนั่นเองมหานครมรกตปรากฏให้เห็นลิบลิบรังงานงามอยู่เบื้องหน้าภายใต้ของกำแพงเมืองเชิงเทิน และปราการหอรูปยอดปรางปรามหาปราศาสต์เคหะอาคารและยอดเทวาลายัยโผล่ล้ำเรียงรายอยู่ท่ามกลางแสงอรารามของตะวันเปล่งประกายวาวระยับหลากสีสันไม่ผิดกระเมืองในนิมิตฝันอันยิ่งใหญ่ไพศาลนนะักแม้จะแลเห็นแต่ไกลก็บ่งบอกได้ถึงศิลปะประติมากรรมและสถาปัตยกรรมชั้นสูง งามสง่าเรืองรองและเพียบพร้อมไปด้วยความมั่นคงทุกคนที่เคยผ่านพบมาก่อนแล้วในครั้งกระนั้นบัตรนี้ได้หวนกลับมาเผชิญหน้าอีกครั้งต่างยืนมานิ่งตะลึงแลภาพนั้นเหมือนแทบจะไม่เชื่อสายตาว่าจะได้กลับมาเห็นอีกส่วนพวกลูกหาทั้งหลายที่เพิ่งมาเห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตบัตรนี้พากันชี้มือให้ดู และพึมพำพูดกันแซดจับสับไม่ได้ทุกคนมีแต่ความตื่นเต้นอัศจรรย์ใจขีดสุดครอบงำอยู่ในดวงจิตเฮ้ยนี่ขาฝันไปหรือเปล่าวะนี่เหรอเมืองของไอ้กะเรียงพระเนจรแ ง, ง่ทายที่เคยไปสมัครเป็นคนใช้ของนายใหญ่คราวนั้นอะนายชวนหัวหน้าลูกหาบครางออกมาขณะที่ยกมือขึ้นขยี้ตาเออ เป็นวาสนาของพวกเองและที่ได้มาเห็นกระตาดูว่ซะเดี๋ยถ้ากลับออกไปได้ก็ไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังเพราะเขาจะไม่เชื่อพวกเองหรอกเหมือนเหมือนกับพวกเองที่ไม่เคยเชื่อข้ามาก่อนนั่นแหละพรานเท่านานอินบอกมาเสียงต่ำๆกระหัวหน้าลูกหา่าบแล้วก็หัวรอ่อฮือๆในลำคอเมญานี บัตรนี้ยืนมาล้ำหน้ากลุ่มของอาคันตุกะต่างแดนออกไปเล็กน้อยได้หันมายิ้มให้แก่ฝ่ายของเชษฐาทั้งหมดที่พากันสงบนิ่งเงียบกริบเหมือนจะสังเกตสีหน้าและอาการของแต่ละคนในยามนี้แล้วเอ่ยขึ้นราบเรียบว่าไม่ว่าพวกท่านจะจากไกลไปอยู่หน้าที่ใดจักราตมีญาณีและชาวมรกรนครทุกคน ก็หวังเป็นที่ยิ่งว่าพวกท่านคงจะไม่ลืมแผ่นดินและบ้านเมืองแห่งนี้เสียได้เท่าเท่ากับที่ชาวมรกรทุกคนก็ย่อมจะต้องระลึกถึงพวกท่านตลอดไปเยี่ยงวีรบุรุษและวีรสตรีของอาณาจักรบัดนี้เหล่าท่านได้หวนกลับคืนมาอีกวาระหนึ่งแล้วสมตามจิตปรารถนาเรียกร้องของพวกเราทุกคน เมียนีพวกเราก็มีความผูกพันอยู่กับแผ่นดินนี้ตลอดทั้งชีวิตและก็ไม่อาจจะกล่าวคําใดออกมาได้เมื่อได้กลับมาเห็นอีกครั้งเราฟาขอบเส้นแบ่งขั้นของจั ก, กรวาลเพื่อจะย้อนกลับมาหาชาวมรกรนครให้ได้แม้จะมีความตายขวางกั้นอยู่ก็ตามนี่คือสิ่งที่กล่าวออกมาจากความจริงใจของพวกเราทุกคนเช่นกันเชิดทากล่าวด้วยเสียงกังวานลึก เมียาณีก้มเสียนลงน้อยๆชิงรับคำเช่นนั้นก็ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่มหานครนับบัดนี้เถิดชาวมรกฏกำลังรอคอยการมาถึงและพร้อมแล้วที่จะต้อนรับด้วยความปรีติปราโมชใจยิ่งนักกล่าวพลางนางก็ชูหัดขึ้นสูงแล้วโบกเป็นสัญญาณช้าๆ กองทัพทั้งขบวนที่หยุดสงบนิ่งกันหยุดตรงนั้นก็เริ่มเคลื่อนที่อีกครั้งพร้อมกับเสียงแตรและเสียงกลองก็ดังประสานกันขึ้นกระหึมจากกองทัพนั้นเข้ากระเสียงฝีเท้าม้าที่เหยาะย่างเป็นจังหวะกลายสภาพเป็นกองทหารเกียรติยศแห่งรูปขบวนแห่แหนเพื่ออัญเชิญอาคันตุ ก, กะผู้สูงเกียรติเคลื่อนตรงเข้าไป อย่างสวนหน้าของประตูเมืองในทันทีอย่างช้าๆใกล้เข้าไปและใกล้เข้าไปตามลำดับจนกระทั่งแลเห็นแนวกำแพงเมืองสูงระงงานเงื้อมถนัดตากินอาณาเขตยาวเหยียดกว้างไกลจนสุดลูกหูลูกตายิ่งใกล้เท่าใดก็ยิ่งมองเห็นแต่ขอบกำแพงเมืองสูงล้าบทบางยอดปราสาทราชวางัง อาคารเคหะสิ่งก่อสร้างสูงสูงในเขตตัวเมืองหมดสิ้นเพราะมุมบังอนุชาบนพื้พรมออกมาตามลำพังคนเดียวอย่างกังวลใจว่าเฮ้ยระพินไปอยู่ที่ไหนนี่ดูไม่มีวี่แววว่าเขาจะมาถึงที่นี่เลยนะเนี่ยเสียงอุปอิบรำพึงของอดีตพรานชดไม่มีพักพวกคนใดได้ยิน เพราะขณะนี้ต่างก็พากันมองไปยังตัวกาแพงเมืองที่เคลื่อนใกล้เข้ามาตามลำดับเหนือขอบกาแพงสูงขึ้นไปและในป้อมเชิงเทินบัดนี้พอจะสังเกตเห็นได้ถนัดว่ามีเหล่าทหารและประชาชนแออัดแน่นขนัดอยู่บนนั้นพร้อมกับเสียงโร้องราชวัตรธงทิวโบกสะบัดปริวสวัยไปหมดส่วนด้านหลังก็ดังกึกก้องด้วยเสียงกลองและเสียงแตร จากกองกำลังรบซึ่งได้เปลี่ยนสภาพมาเป็นขบวนแห่งกองเกติยศไปแล้วยามเมื่อนำอาคันตุกตะใกลประตูเมืองเข้ามาดารินขี่ม้าเคียงคู่กเมยานีหยอกย่างอยู่ข้างหน้าถัดมาจึงเป็นแถวหน้ากระดานของเชษฐาชัยยันและอนุชาและต่อมาอีกจึงเป็นแถวของนานอินขยินและพวกลูกหาบ รืยมีม้าบรรทุกสัมภาระตามมาเป็นกลุ่มกองทหารทั้งหมดตามมาเบื้องหลังในรูปริ้วขบวนอย่างเป็นระเบียบอีกประมาณหนึ่งรอยเมตรประตูเมืองบานมาหืมาก็ค่อยๆเผยกว้างออกช้าๆกองทหารมาแต่งกายสีแดงล้วนพร้อมธงหางแสงแซวก็เคลื่อนออกมาเป็นปีกแล้วยืนเรียงรายเป็นแถว ปากแปรเตรียมต้อนรับอยู่เสียงแปรและกลองที่ลันเป็นจังหวะดังกระหึมประสานออกมาจากฝ่ายในเมืองซึ่งบัดนี้แลเข้าไปเห็นประชาชนนับแสนออแน่นขนาดกวัดแกงโบกแพรพันและธงหลากหลากสีอยู่ไม่ผิดอะไรกระสีของดอกไม้นานาพันทุกคนขนลุกเกรียว ยากสิ่งที่มองเห็นอยู่กระคลองจากสุในขณะนี้ไม่คาดคิดมาก่อนว่าชาวเมืองมรกนครจะเตรียมให้การต้อนรับที่ยิ่งใหญ่ถึงปานนี้เมื่อมานำผ่านเข้าประตูเมืองไปเสียงโห่ร้องก็กลบทุกสิ่งทุกอย่างหมดสิ้น เป็นเสียงโห่ร้องอย่างแสดงอาการยินดีต้อนรับเข้าตอกดอกไม้และแพรพันโปรยปลายลงมาจากกำแพงเมืองจนแทบจะท่วมข้อเท้าม้าที่สะบัดเหยาะย่างอยู่สองหูของทุกคนอื้ออึงไปหมดทำให้รู้สึกเหมือนจะตกอยู่ในความฝันทุกใบหน้าของชาวเมืองเต็มไปได้วยอาการยิ้มแยม้มตะโกนเรียกน้ำของแต่ละบุคคลสลับกันอยู่อย่างชัดเจนเป็นจังหวะจังหวะ และในบรรดาน้ำที่เปลงเรียกออกมานั้นต่างสดับได้ชัดว่ามีน้ำของระพินอยู่ด้วยแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ในคณะที่มาถึงนี่ก็ตามทำให้เกิดความว้าเวขึ้นบูบหนึ่งและฉุกดุ้งคิดเป็นปัญหาว่าขณะนี้ระพินอยู่ที่ไหนชาวเมืองมรกนครเข้าใจว่าเขาจะต้องอยู่ในกลุ่มที่ทหารหลวงส่วนนี้ไปรับเข้ามาด้วย ยังได้เอ่ยเรียกนามของเขาออกมาด้วยเช่นนั้นจะมีความรู้สึกกังวลจิตสกิดใจอยู่อย่างไรก็ตามในขณะ น, นี้ทุกคนของฝ่ายเชษฐาก็บกมือทรงยิ้มทักทายให้แก่ชาวเมืองที่มาล้อมแน่นขนาดรอคอยต้อนรับเหล่านั้นเรียงรายอยู่ทุกแนวถนนทุกจัตุรัสและที่อยู่บนอาคารบ้านเรือนก็โผล่อยู่ตามหน้าต่างช่องชันโบกมืออยู่ไวไ เต็มไปหมดทุกขนทุกแห่งดอกไม้และผงหอมโปรยปลิวไปทั่วสาดมากระทบร่างกายของทุกคนหอมจรุงอบอวลจะเหลือบแลไปทางด้านใดก็ลานตาจนไม่สามารถลำดับภาพได้ฝ่ายที่กลับมาเยืนเต็มไปด้วยความปีติเต็มตื้นในไมตริจิตของประชาชนชาวมรกกนครจนสุดที่จะกล่าวออกมาได้ ดารินาถึงกับ น, น้ำตาคลอขณะที่โบกมือตอบกับประชาชนเหล่านั้นผ่านถนนกว้างใหญ่สายสำคัญย่านใจกลางมหาคนครผ่านจัตุรัสต่างๆและมหาวิหารเทวาลากระทั่งล่วงเข้าสู่บริเวณสนามไชยด้านหน้าของมหาปราศาสตรเขตเวียงวังอันโอฬารซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเป็นสนามยุทธครั้งสุดท้าย ระหว่างจักรราษและกษัตริย์สิงหรากับรหัสยะ2สองฝากฝั่งถนนก็คลาคล่ำเรืองแน่นอยู่ด้วยคลื่นมหาชนที่ยืนโบกธงทิวคอยให้การต้อนรับโดยตลอดเป็นที่อบอุ่นยิ่งนักกองทัพใหญ่อันทำหน้าที่ไปรอคอยรับและเชิญคณะอาคันตุ ก, กะมาจึงแยกออกไปแปรขบวนหยุดยัง้งอยู่ยังบริเวณอันกว้างใหญ่นั้น คงปล่อยให้ทาหารฝ่ายในเขตบรมมหาราชวังทำหน้าที่นำคณะผู้กลับมาเยืนผ่านเข้าสู่ประตูราชฐานชั้นในปราสาทด้านหลังกลางวงล้อมของอุทยานอันงดงามสะพังไปด้วยไม้ดอกไม้พันริมสระน้ำลอยฟ้องไปด้วยหงส์ขาวและหงส์ดำอันเป็นตำแหน่งที่คณะของเชษฐาได้เคยพำนักอยู่ในครั้งนั้น ได้ถูกกาหนดไว้ให้เป็นที่พักอีกวาระหนึ่งกองทหารรักษาวังจํานวนนั้นได้นําคณะทั้งหมดมุ่งหน้ามายังตําแหน่งนี้โดยมีราชินีเมยานีสเสด็จนํามาส่งด้วยจนถึงที่บริเวณลานหินอ่อนด้านหน้าของปราศาสตร์หลังนั้นเมื่อขบวนของเทฐาเคลื่อนตรงเข้าไปได้เห็นเหล่าสาวสันกํานันใน และชาวพนักงานในเสื้อผ้าอาพรหลากหลากสียืนเรียงรายคอยให้การต้อนรับอยู่ก่อนแล้วแลเห็นในระยะไกลและล้าหน้าออกมาจากหมู่ของคนเหล่านั้นมีชายร่างผอมบางค่อนข้างเล็กตีในชุดเสื้อคลุมยาวสีน้ำเงินเข้มทักลายทองอันเป็นชุดของข้าราชบริพารฝ่ายในชั้นสูงยืนกระสับกระส่ายอยู่ มีอาการชะเง้อชะงะ แ, และยกมือขึ้นป้องหน้าคำเมนมองเหมือนจะเร่งให้ขบวนที่บ่ายหน้าตรงเข้ามานั้นได้มาถึงซะโดยเร็วกระทั่งในที่สุดขบวนทั้งหมดก็ได้มาถึงและก่อนที่คณะของทุกคนจะลงจากหลังมา้าชายร่างเล็กในชุดเสื้อคลุมสีน้ําเงินก็วิ่งตรงสวนเข้ามาทันที พร้อมกับอาการตะโกนก้องอย่างตื่นเต้นปีติใจเหลือที่จะกล่าวนายพวกนายกลับมาแล้วกลับมาแล้วโอ้ยดีใจจังฝ่ายของเชษฐาทุกคนจ้องไปยังร่างนั้นแล้วก็อุทานออกมาพร้อมกันสร้างป้าสางป้าปคนแรกที่กระโดดลงจากหลังม้าคือชัยยันขณะที่ตะโกนเรียกนามนั้น เขากดเล่นทะาหลาสวนเข้าไปอันเป็นเวลาเดียวกับที่ร่างเล็กบอบบางวิ่งตรงเข้ามาหาพอถึงชยันก็สวมกอเจ้าสางปลาขี้ลิงอันเป็นอดีตคนใช้คู่ชีพของมาเรียเอาไว้แน่นสางปลาเองก็กอดเขาไว้เช่นกันระล่ำละลักเอื่อยนามและทักทายชายันจนลิ้นพันกันไม่หมดฟังไม่ได้สับดารินอนุชาเฉถา นานอินและขยินลุงจากหลังม้าตามลำดับแล้วพากันกรูเข้ามาหาสางปลาซึ่งบัดนี้มีลักษณะวุ่นวายจ้าละวันไปหมดวิ่งเข้าไปเกาะคนน้นทีคนนี้ทีพร้อมกับเหกปากทักทายเอ็ดอึงไปหมดชนิดไม่อาจจะระงับความรู้สึกอันสุดแสน จ, จะตื่นใต้ยินดีนั้นไว้ได้อาการของเจ้าทาเภาตองสู่ของมารีฮอฟมัขนขณะนี้ เหมือนลิงน้อยๆที่แล่นเข้าไปหาต่ละบุคลเหล่านั้นแลดูเป็นที่น่าสมเพชทางฝ่ายของเชิดายเองที่เคยคลุกคลีก็ะส่างปามาก่อนก็ล้วนปิติยินดีกันทั่วหน้าที่ได้พบเห็นส่างปาอีกครั้งในสภาพที่ได้รับการเลี้ยงดูให้มีความสุขสมบูรณ์เพียบพร้อมไปได้วยยศถาบรรดาศักดิ์สมกีิจักรราชได้ทรงให้คามั่นสัญญาไวา้กามาเรียและทุกคน ก่อนที่คณะทั้งหมดจะจากไปในครั้งนั้นโดยมอบสังปาไว้ให้ในมรกรกนครแห่งนี้เมยานียังประทับอยู่บนหลังมา้าทอดเนตดูสภาพการทักทายพบปะระหว่างสองฝ่ายด้วยรอยแย้มสวนน้อยๆอย่างชื่นชมไปด้วยที่ได้เห็นสัมพันธ์อันลึกซึ้งของทั้งสองฝ่ายและความซื่อสัตย์จงรักภักดีของสังปาอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย นางได้ปล่อยให้สาภาพแห่งการพบป่าทักทายอันวุ่นวายสับสนนั้นดำเนินไปชั่วขณะหนึ่งก่อนและจึงเหาะมาเข้ามาเอ่ยด้วยเสียงใสกังวานสั่งป้าเมื่อนั้นสับผัสเนียงอันจอแจจอกแจกจึงเงียบกริบลงในทันทีเจ้าสั่งปาซึ่งบัดนี้คือแพทย์หลวงประจำราชสำนักก็พลันได้สติรู้สึกตัว ยืนประสานมือทั้งสองไว้เบื้องหน้าแล้วข้อมกายโค้งต่ำลงเพื่อรับกระแสสวณีเยี่ยงข้าราชบริพานมนตรีผู้ได้รับการฝึกปลืออบรมประเพณีพิธีการในราชสำนักมาอย่างดีแล้วแตกต่างไปกว่าเจ้าสาังปาขี่ลิงพรานรับใช้ชาวตองสู่ของมาเรียนในอดีตไปเป็นคนละคนพระเจ้าข้า สั่งปาเจ้าจงปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของเราและชาวมรกรกครทั้งหลายให้การรับรองคณะเจ้านายเก่าผู้มีพระคุณให้มีความสุขอยู่ณปราศาสตร์แห่งนี้ด้วยเถอนะช่วยจัดการดูแลอย่าให้มีสิ่งใดขาดตกบกพร่องเป็นอันขาดสั่งปลาน้อมกายลงไปอีกพระเจ้าค่ะนางผินพักมาทางคณะของเชฐา ซึ่งบัตรนี้พากันเหลียวมองมาเป็นตาเดียวยิ้มให้ขอเชิญพวกท่านทุกคนเข้าพำนักให้สุขสบายอยู่ยังปราสาทแห่งนี้ก่อนอย่าได้มีปัญหาหรือมีกังวลใดๆในขณะ น, นี้ทั้งสิน้นเมยานีขออำลาจากท่านไปชั่วขณะอา้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเมยา น, นีแล้วนั้นเธอจะไปไหนและเมื่อไรเราจะมีโอกาสเข้าเฝ้าองค์จักรราชล่าดารินทักมาโดยเร็ว นางพยาแห่งมหาหมรากฏนครชักม้าสดเด็บัดเต้นพกผินอยู่ไปมาโบกหัดให้สีพระพักและแววเนตรมีประกายสอเลสนัยรับลมระคนยั่วยาวเมยานี้จะส่งข่าวให้ทราบเมื่อได้รับพระบรมราชาอนุญาตให้พวกท่านทั้งหลายได้เข้าเฝ้าแต่คงไม่ใช่เวลานี้แน่นอนขอให้โชคดีรับสั่งเพียงแค่นั้น นางก็นำกองทหารรักษาวังอันทาหน้าที่มาส่งคณะจนถึงที่อันจัดไว้สำหรับพักนั้นขวบมาเหาะช้าๆพระจากไปทั้งขบวนโดยไม่ได้เหลียวกลับมาอีกเลยไม่ว่าดารินจะร้องทักทวงเรียกซ้ำมาอีกเช่นไรหญิงสาวทาหน้ายุ่งจุปากบน่นออกมาดังๆยังไงกันเนี่ยพวกเราเข้ามาจนถึงใจกลางมหาราชวังได้อย่างเนี้ย ถ้าไมยังไม่เห็นแง่ทรา ย, ายและยังไม่มีทีท่าว่าเราจะได้พบเขาเลยนี่มันแปลว่าอะไรเนี่ยเอาเถอะหน้าใจเย็นๆไว้น้อยพี่ชายใหญ่ตบไหล่มาเบาๆ บ, บอกมาผลยิ้มแง่ทรายนะ่ะเขาอาจจะมีเหตุผลเฉพาะตัวของเขาอะไรบางอย่างจึงยังไม่เราได้พบในขณะนี้ก่อนแต่ถึงยังไงเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยปลอดภัยแล้วเนี่ย แล้วก็ได้พบสังปามาคอยต้อนรับเราอยู่นี่แล้วไงไปเดี๋ยวค่อยคุยตะล่อมสอบถามสั่งปาก็ได้เนี่ยในทุกเรื่องที่เราอยากรู้1 9ึ่เเมื่อ น, นั้นดารินจึงสงบอาการกระวนกระวายใจลงได้แต่เก็บความกังขาพิศวงไว้ในใจเงียบๆสังเกตดูพี่ชายกลางกระชัยยันก็ไม่เห็นมีใครแสดงท่าข้องใจอะไรมากนัก ที่ยังไม่มีโอกาสได้พบเห็นแงซายในขณะนี้ทุกคนพากันไปให้ความสนใจกระสางปลากันหมดผูดเล่นยอกล้อสอบถามสารทุกสุกดิบกันอยู่ตรงตำแหน่งนั้นอีกพักใหญ่หลังจากราชินีเมยานีเสด็จจากไปแล้วท่ามกลางนางกำนันข้าหลวงและชาวพนักงานกลุ่มใหญ่ที่ยืนยิ้มแย้มรอคอยให้การปรนิบัิ ร, รับใช้อยู่ทาให้ทุกคนมีความรู้สึก เหมือนกลับมาบ้านเก่าของตนเองเช่นนั้นไม่ได้ทําให้รู้สึกกังวลหรือแปลกตื่นต่อสถานที่อย่างใดทั้งสิ้นนอกจากกลุ่มลูกหาบสิบคนที่เพิ่งจะได้มาพบเห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตซึ่งแม่บัดนี้ก็ยังพากันตื่นตื่นงงงงเหมือนตกอยู่ในสภาพความฝันอันจะเชื่อเส้ไม่ได้เช่นเดิมสภาพของแต่ละคนของลูกหาบเหล่านั้นเงอะงะ ประมาทำอะไรไม่ค่อยจะถูกและหน้าที่ลูกหาแบกภาระสิ่งของของพวกตนนั้นดูเหมือนจะหมดสิ้นไปแล้วนับตั้งแต่พบกับกองทหารม้า ม, มรกรกนครเป็นครั้งแรกเมื่อบ่ายวันนี้เป็นต้นมาเพราะกองกำลังเหล่านั้นช่วยกันจัดการเป็นภาระให้หมดโดยไม่ให้พวกนี้ต้องยุ่งอีกเลยนอกจากจะควบคุมดูแลระหว่างการขนย้ายเคลื่อนที่มาเท่านั้น เมื่อพอจะว่างเว้นความตื่นเต้นจากการทักทายผู้จากระฝ่ายเจ้านายลงบ้างแล้วขยินรอจังหวะได้โอกาสก็เอาแขนตวัดคอเจ้าอดีตพรานตองสู่ล่าเข้ามากอดไว้ยินมร่าฮ่า ๆ, ๆไอสางปาคีรีมของนายแมมมาเรียเป็นวาสนาชะตาดีของเองแท้ๆทีเดียวโว้ยที่มามีบุญญาบารมีเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ในมรกรณ์นี่ข้าล่ะคิดถึงเองจริงๆ ตั้งแต่จากกันวันนั้นคิดว่าชาตินี้คงไม่ได้พบกันอีกแล้วก็ยังได้กลับมาพบกันอีกจนได้เองต้องเลี้ยงดูข้ากับพวกเจ้านายดีนะาแล้วชุดอมัดผู้ใหญ่ของเองที่ใส่อยู่เนี่ยโอ้มันช่างโก้ซะจริงๆอะ่ะเห็นทีแรกแต่ไกลข้านึกว่าเทวดาที่ไหนมายืนอยู่ซะอีกปะโทที่แท้ไอ้กิลิงนี่เองการรัดด้วยปลอกแขนราวกรวงช้างของขยิน เทพจะทำให้สางปลาต้องตาเหลือกตัวมันก็เล็กนิดเดียวเมื่อเทียบกับขยินเกลอกเก่าไอ้แขแขแขหน้าเขียวอยู่เพราะขยินรัดคอพรานเท่าหนานอินกะจุปากลัน่นเอามือตบ ก, ก้านคอขยินเขาชาดใหญ่ตะหวาดมาเบาๆทุดไอ้ขยินเองก็รัดคอจนไอ้สางปลามันหายใจไม่ออกปลอยมันได้แล้ว ไม่ต้องไปกอดคอมันอยู่อย่างงั้นหรอกไอ้เวนเรียวแรงเองอยังกันแรกสางปลามันตัวเท่าลิงเท่นั้นขยินจึงคลายวงแขนออกสางปลาถอนใจเฮือกออกมาได้ทำหน้าบ้องแบ้วเอามือรูปคอป้อยเพราะแทบคอหักเมื่อกี้นี้พูดมาอูอ e ีอูอ e ีไอควายเคยยินเห็นหน้าเองครั้งแรกข้าก็ดีใจยนบอกไม่ถูกอะ แต่ตอนที่เองกอดคอข้าเนี่ยข้ายากให้เองลงนรกไปราะฉันรู้แล้วรู้รอดอะ่ะไม่นึกเลยว่าจะตามเจ้านายมาถึงที่นี่ได้อีกเองอะ่ะทุกคนที่ได้ยินพากันหัวเราะกันขึ้นอย่างขบขันในการพูดจาทักทายระหว่างขยินก็สางปานั้นอินรูปผัวแพทย์ใหญ่ประจำราชสำนักมรกกนครอย่างเอ็นดูบรรยากาศเต็มไปได้วยความแช่มชื่นส ม, มนั และต่างก็สังเกตเห็นได้ว่าอดีตคนใช้เก่าของมาเรียมีผิวพรรณมีน้ำมีนวลดีขึ้นกว่าสมัยที่ยังตระเวนอยู่ตามป่าดงมากนะักแสดงว่าชีวิตมีความสุขสมบูรณ์ขึ้นทั้งทางกายและทางใจตลอดจนได้รับการฝึกฝนอบรมให้กลายเป็นขุนน้ำขุนนางในราชสำนักมรกรนครไปแล้วเป็นที่เคารพนับถือและยำเกรงแก่บรรดาข้าราชบริพารทั้งฝ่ายนอกฝ่ายในทั้งหลาย สมศักดิ์ตำแหน่งแพทย์หลวงจากความเมตตาปราณีชุบเลี้ยงของกษัตริย์ผู้ครองแผ่นดินโ <c oughs> ดยการรับรองในฐานะเจ้าภาพของสางปาคณะทั้งหมดได้เข้าพักพรอยู่ยังปราสาทไทยอุทยานแห่งนั้นเ <c oughs> ยี่ยงราชอาคันตุกะผู้ทรงเกียร ต, ติยศของจักรราษภายหลังจากอาบน้ำชำระร่างกายและผลัดเปลี่ยนเครื่องแต่งกายใหม่เรียบร้อยแล้ว ทั้งหมดก็ออกมาพบกันยังห้องที่เพียรพร้อมไปได้วยโภชนาการชั้นสูงอันประดับไว้อย่างวิจิตรงดงามเพียรพร้อมด้วยเหล่าพนักงานนางกำนันขอยให้การรับใช้ปฏิบัติไปทุกฝีก้าวนับตั้งแต่ได้เหยียบย่างเข้ามาถึงปราศาสตรรับรองแห่งนี้โอกาสนี้เองทั้งคณะได้พบปากไล้ชิดกระสางปาอีกครั้งหนึ่งระหว่างรับประทานอาหารมื้อกลางวัน เจ้าอดีตพรานป่าเผ่าตองซูมีอาการสลดผิดหวังอย่างเห็นได้ชัดเมื่อทราบว่านายสาวคู่ชีพของมันมาเรียฮอฟมันไม่ได้มากับคณะด้วยและชยันก็เป็นผู้อธิบายให้ทราบโดยละเอียดว่าในแม่มของมันเพิ่งจะให้กำเนิดบุตรชายก่อนที่พวกเขาจะออกเดินทางจึงไม่อาจจะร่วมทางมาด้วยได้แต่ได้สั่งการให้เขาเดินทางมากับพรรคพวกในครั้งนี้ ด้วยจิตใจอันเด็ดเดียวกล้าหาญฉันรู้สางปาว่าเจ้านะ่ะคงจะผิดหวังมากเมื่อได้เห็นนายแหม่มมาเรียแต่ฉันและพวกเราทุกคนก็มาแทนแล้วและนายแหม่มก็มีความสุขมีสุขภาพที่ดีรวมทั้งลูกชายที่เกิดใหม่ด้วยชัยยันเอ่ยขึ้นอย่างปลอบโยนเมื่อเห็นอาการที่เศร้าซึมลงไปของสางปา ภายหลังเมื่อเขาได้เล่าความทั้งหมดให้ฟังเกี่ยวกับมาเรียฮอฟมันก็เป็นการดีแล้วละ่ะที่นายแมมไม่ได้มาด้วยเพราะเพื่อนคลอดลูกแต่สางป้าก็คิดถึงอยากเห็นนายแมมอยากเห็นลูกชายของนายแมมด้วยสางป้าพึพรรมพำออกมาบเบาๆทุกคนมองดูอย่างเห็นใจเพราะสาบถึงความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟน้น ระหว่างสางปาและมาเรียโดยตลอดสิ่งที่ชั ย, ยันจะชดเชยให้ได้ในขณะ น, นี้ก็คือควักรูปพัญยาและบุตรชายเพิ่งเกิดของเขาซึ่งเขาเป็นคนถ่ายไว้พร้อมกันทั้งแม่ลูกบนเตียงก่อนที่จะออกเดินทางมาและได้นํำติดตัวมาด้วยส่งไปให้สางปาดูแล้วก็บอกให้เก็บไว้สางปาก็รับไปดูอย่างตื่นเต้นยินดียิ้มออกมาได้ มันเป็นภาพของมาเรียนนอนอยู่บนเตียงกำลังประคองทารกน้อ ย, นอยหน้าตาน่ารักเอาไว้ในอ้อมแขนโอ้นายน้อยนายน้อ ย, อยของสางปานี่น่ารักต่อไปโตขึ้นจะเป็นนักต่อสู้ที่ดีเหมือนแม่และพ่อเสียดายจริงๆที่สางปาไม่มีโอกาสได้เห็นตัวจริงของนายน้อยแพทย์หลวงประจําราชสํานักมรกนครพูดออกมาอย่างชื่นชม และได้พินิษ์ดูรูปภาพนั้นอยู่เป็นเวลานานนี่ทานายแมมไม่ติดขัดเรื่องคลอดบุตรและต้องนอนพักรักษาตัวอยู่นายแมมเขาก็คง <c oughs> <c oughs> จะเดินทางมาด้วยในครั้งนี้แหละสางปาเชิดขาเอ่ยขึ้นเสียงอ่อนโยนและนายแมมก็คงจะยินดีมากถ้ารู้ว่าสางปาอยู่กะจักราชที่มรกรนครเนี่ยอย่างมีความสุข สางปานั่งมือลอยทำหน้าเป็นสากกระเบือดินเหมือนเดิมแล้วก็พูดออกมาเหมือนกระรำพึงว่าสางปาอยู่อีกโลกหนึ่งนายแมมก็อยู่อีกโลกหนึ่งชาตินี้เราคงไม่ได้พบกันอีกแล้วละ่ะนายแมมมีความสุขดีสางปาก็ดีใจนายแมมเป็นคนอนุญาตให้สางปาอยู่กับจักรราชที่มรกรกนครนี่ สางป้าก็รู้ว่าถ้านายแมมกลับไปถ้าตามนายแมมกลับไปอ่ะก็จะเป็นภาระลำบากของนายแมมไม่ใช่อย่างนั้นหรอกสางปา้าอนุชาเอ่ยขัดมาในน้ำเสียงปลุกปลอบใจสั่งป้าฟังนะทุกคนทุกชีวิตในโลกนี้มีภาระหน้าที่ มีทิศทางที่จะต้องเลือกเดินด้วยตนเองทั้งนั้นแหละนายแหม่มคงเห็นแล้วละว่าสางปาจะมีความสุขอยู่ในมรกฏนครเนี่ยมากกว่าที่จะไปติดสอยห้อยตามนายแหม่มอยู่อีกอย่างหนึง่งแงซายริจการาชก็เมตตาปราณีสางปามากถึงกับออกปากขอตัวสางปาไว้ไม่ใช่ว่านายแหม่มทอดทิ้งสางปาเนี่ยถูกต้อง นายแมมไม่ได้ทิ้งสางปานะสางปาเขาเลือกวิถีทางชีวิตที่ดีที่สุดให้กับสางปาแล้วสางปาเข้าใจใช่ไหมดารินเสือมาอีกคนหนึ่งอย่างหนักแน่นขณะที่เอื้อมมือมาลูบหลังเจ้าอาดีตพรานตองสูเบาๆสางปาฝืนยิ้มน้ำตาที่คลออยู่ในเบ้าค่อยๆเหือดแห้งไปมีอาการกระปรี้กระเปร่าขึ้น เองอยู่ที่นี่นะเองมียศมีเกียรติมีศักดิ์มีสีแต่เองขืนตามแหม่มกลับไปเองมันก็ไอสางป้าขี้ลิงอยู่ตลอดชาติอะเลยถึงนายแหม่มจะรักเองสักขนาดไหนก็ตามนั้นอินโพร่งบอกมาอีกคนเจ้าพรานตองสูหันไปทางชัยยันนายทหาร สางป้าขอฝากในแหม่มมาเรียว่ากันนายทหารชายันด้วยนะขออยู่เป็นผัวเมียกันตลอดไปและถ้ากลับไปก็ช่วยบอกนแหม่มด้วยเฮอะว่าสางป้านาะยยันก็ลึกถึงนายแหม่มตลอดไปไม่มีวันลืมหรอกชยันยิม้มน่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงสางป้าฉันจะรักและอยู่กับนายแหม่มมาเรียของสางปลาตลอดไปจนกว่าเราจะตายจากกันไปทีเดียว สบายใจได้หืมสางปาพยักหน้าลงนิดนึงอย่างพอใจการมาอยู่ในราชสํานักมรกรนครในฐานะแพทย์หลวงดูจะทําให้มันฉลาดขึ้นกว่าเดิมมากบัดนี้สางปาได้แล่นนิ่งไปทางดารินวราริศแล้วคําถามที่หลุดออกมาจากปากก็ทําให้ทุกคนถึงกับตะลึงงันไป นายหญิงเมื่อมองเห็นนายหญิงดารินสา่งปาก็อดไม่ได้ที่จะคิดไปถึงพรานใหญ่ระพินตอนที่สั่งปายืนรอคอยอยู่หน้าปราสาทแห่งนี้เพราะได้รับข่าวว่ากองทัพมาของราชินีเมยา น, นีไปรับคณะเจ้านายเก่าเพื่อเชิญเข้าสู่เมืองและจะมาถึงในเที่ยงวันนี้สา่งป้าแล้วไปแต่ไกล เห็นทหารนำหน้าคณะเจ้านายทั้งหมดมาก็คิดว่าคงจะมาพร้อมกันหมดทุกคนแล้วเมือ่อคณะของเจ้านายใกล้ขเข้ามาถึงสั่งปามองเห็นแต่นายหญิงดารินนายใหญ่พรานชดลุงอินนายทหารชัยยันแล้วก็ไอ้ขยินแล้วก็พรานใหญ่ระพินกับไอ ลิงสี่ตัวแกสองตัวหนุ่มสองตัวของพรานระพินะไม่ได้มาด้วยหรอกเหรอสำหรับนายแ ม, มารีอานะไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะสังปาเพิ่งรู้ว่าคลอดลูกมาด้วยไม่ได้เชิดาดารินอนุชาและชยันหันมองศบตากันนี่แสดงชัดว่าสางปาไม่ได้ทราบ หรือะแคระคายอะไรทั้งสิ้นโดยเข้าใจไปว่าคณะที่เดินทางมาถึงจะต้องมีระพินไพรวันและพรานคู่ใจของเขาสี่คนร่วมทางมาด้วยมิฉะนั้นก็คงไม่เอ่ยถามมาในลักษณะนี้หรอกท่านหัวหน้าคณะเม้มริมฝีปากนิดหนึ่งเอานิ้วเคาะกระขอบแท่นหินอ่อนอันเป็นที่วางอาหารอันเต็มแท่นมากมายนั้นเบาๆ อนุชากรอกจอกน้ำเมรที่นางกำนันรินมาประคองส่งให้เข้าไปจนหมดเกือบครึ่งแล้วป้ายเช็ดริมฝีปากนิ่งงันอยู่ชยั น, นเอามือลูบลายคางวางขาแกะย่างลงช้าๆและดูเหมือนจะอิ่มเลยในทันทีนั้นส่วนดารินเอามือขีบสันจมูกของตนเองหลับตาลง ระหว่างที่ทั้งสยังนิ่งงันกันไปเหมือนจะยังเอ่ยอะไรออกมาไม่ถูกนั้นนานอินก็เอ่ยมาด้วยเสียงต่ำลึกของแกว่า <c oughs> ไอ้ซางปาเอ็งเอ่ยถึงปราณใหญ่ระพินขึ้นมาก่อนก็ดีละพวกข้าก็อยากถามเอ็งอยู่เหมือนกันว่าเอ็งหรือพวกเอ็งทั้งหมดที่อยู่ในนี้ไม่มีใครรู้ข่าวปราณระพินมั่งเลยหรือไง สีหน้าของส่างปาสแววสงสัยเอ๊ะรู้ข่าวพรานระพินรู้ไงอ่ะลุงก็พรานระพินไม่ได้มากบพวกเราที่มาด้วยนี่อะดิแต่เขาล่วงหน้ามาก่อนพวกเราก็น่าที่จะถึงเมืองมรกฎนะครนนี่ก่อนหน้าเราแล้วราชินีเมยานียังไม่ยอมบอกพวกเรา เหมือนมีอะไรที่ยังอยากจะปิดปิดบังบงอยู่แต่เองก็เชาวมรกรนครทั้งหลายก็ต้องรู้สิก็บอกมาตามตรงดีกว่าพระราพินกับไอ้ลิงสี่ตัวของเขาอะมาถึงที่นี่ก่อนแล้วใช่ไหมแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนนี่แต่เองไม่ยอมบอกความจริงนะข้าจะให้ไอ้ขยินมันขย่าวคอเองจนกว่าเองจะพูดออกมาล่ะเพราะนั้นอินคาดคันมาจบคา ขดินก็เอามือตบแขนอันเต็มไปไม่ได้กล้ามของมันดังตบตบสางปาอ้าปากหวัวกะพริบตาอยู่ปริบ ป, ปรีปครางออกมาว่าลุงอินสางปาไม่รู้อะไรเลยอะ่ะเกี่ยวกับพรานระพินที่ถามอะก็เพราะนึกว่าพรานใหญ่มาด้วยกับคณะเจ้านายทั้งหมดพอไม่เห็นมาด้วยก็สงสัยถามขึ้นอ้าวแล้วนี่พรานใหญ่ก็ล่วงหน้ามาที่นี่ก่อนแล้วเหรอ แล้วทำไมสั่งปลาถึงไม่รู้ไม่เห็นแล้วไม่มีชาวมรกรนครคนไหนรู้เห็นหังอั้นะ่ะขยินขยับตัวแยกเขี้ยวขู่ดารินคว้าหมับที่ก้านคออันหนาทึบของเจ้านักเลงโตหลุมช้างไว้แล้วพูดขึ้นโดยเสียงปกติของหล่อนว่านี่ขยินแล้วก็ลุงยินด้วยอย่าไปขู่อะไรสั่งปลาเลยฉันสังเกตดูว่าสาั่งปลาจะไม่รู้อะไรจริงๆแล้วก็รับพินกับคณะของเขา ก็ยังมาไม่ถึงที่นี่อย่างแน่นอนมิฉะนั้นชาวเมืองก็ต้องรู้บ้างแต่นี่ไม่เห็นข่าวเงื่อนเลยว่าพวกนี้จะรู้แล้วก็ไม่มีอาการสอบพิรุษว่าจะแกล้งปกปิดแล้วด้วยระหว่างที่เราผ่านประตูเมืองเข้ามาพวกชาวเมืองก็โห่ร้องต้อนรับพวกเราตะโกนเรียกชื่อพวกเราที่เคยมาในครั้งก่อนครบท่วนชื่อทุกคนแล้วก็ได้เอ่ยเรียกนามของระพินด้วย ก็แสดงว่าเขาเข้าใจว่าในคณะของเราจะต้องมากันครบชุดเหมือนอย่างที่ส่างปาเข้าใจแต่แรกนั่นก็แปลได้ชัดว่ารพิน์ไม่ได้มาถึงที่นี่ก่อนหน้าพวกเราอย่างที่คิดกันไว้แต่แรกแน่นอนและฉันคิดว่าปัญหาในเรื่องที่ว่ารพิน์อยู่ที่ไหนขณะนี้มาที่นี่แล้วหรือยังฉันว่างไงมันก็ยังเป็นรองไปกว่าปัญหาที่ว่า เงซายเวลานี้น่อยู่ที่ไหนและกำลังทำอะไรอยู่ทาไมจนบัดนี้แล้วเรายังไม่ได้พบเขาเชษฐาและทุกคนในที่นั้นแลไปทางแพทย์หลวงประจำราชสำนักมรกรนครเป็นตาเดียวแล้วชั่วคณะหนึ่งต่อมาท่านหัวหน้าคณะก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลอ่อนโยนว่า <c oughs> นี่สางปาเจ้าจได้รับคำสั่งจากใครเนี่ย ที่มาคอยรอพบแล้วก็ทำหน้าที่ต้อนรับพวกเราอยู่ที่ปราสาทไทยอุทยานเนี่ยสางปาได้รับคำสั่งจากรายชินีเมยา น, นีให้มาคอยรับพวกเจ้านายทั้งหลายอยู่ที่นี่แหละคำตอบนั้นดูซื่อตรงไปตรงมาตามลักษณะเดิมของสางปาเออแล้วเขาสั่งเจ้าเมื่อไหร่ สั่งนานนับเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็สามวันมาแล้วอะก่อนหน้าจะเสด็จออกไปพร้อมกับกองทัพมาก็ได้มีคําสั่งให้สางปลาแล้วก็พวกชาวพนักงานทั้งหลายเนี่ยจัดระเตรียมปราสาทไทยอุทยานแห่งนี้ไว้พร้อมให้เตรียมชาวพนักงานสําหรับคอยรับใช้เอาไว้ด้วยเพื่อให้สะดวกพร้อมสับทุกอย่างแล้วก็รับสั่งให้สา่งปาทราบล่วงหน้าว่าก็ราวเที่ยงหรือบ่ายวันเนี้ย คณะเจ้านายจะจะเดินทางมาถึงที่นี่แล้วก็พักอยู่ในปราสาทแห่งนี้เหมือนเมื่อครั้งก่อนให้สังปาทำหน้าที่ต้อนรับแล้วก็ดูแลรับใช้ทุกสิ่งทุกอย่างสังปาก็มาเตรียมพร้อมอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันที่ได้รับคาสั่งแล้วละ่นะนายหญิงเออเนี่แล้วราชินีเมยานีรับสั่งบอกอะไรกับเจ้าอีกมั่งละ่ะสังปานอกจากบอกว่าพวกเราจะมาถึงและให้เจ้ามาคอร์คออยู่ที่นี่ เชิฐาค่อยๆตะล่อมถามอย่างใจเย็นเพื่อหาข่าวของเจ้าสางปลาให้ได้มากที่สุดในสิ่งที่เป็นความลีบลับอันไม่อาจจะไล่เลียงได้จากเมยยนีพระนางก็ไม่ได้รับสั่งอะไรกับสางปลานอกจากที่บอกกับนายใหญ่ไปแล้วเออแล้วเขาบอกด้วยหรือเปล่าล่ะ ว่าเพราะเหตุใดพวกเราถึงได้มุ่งมาที่มรกฏนคร อ, อีกครั้งทุกคนเงียบปล่อยเชษถาป้อนคำถามแต่เพียงผู้เดียวได้แต่สดับฟังและสังเกตสีหน้าอาการของสั่งปาอยู่เหมือนจะคอยจับพิรุษแต่ก็ไม่เห็นร่องรอยใดๆทั้งสิน้นนอกจากความซื่อตามนิสัยดั้งเดิมของอดีตคนรับใช้ส่วนตัวของมารียาฮอฟมันเจ้าตองสูสันศีรษะ ก็ไม่ได้ทรงบอกอะไรกับสางปามากไปกว่านั้นนี่เจ้านายเออแล้วเจ้าก็ไม่มีความสงสัยไม่ได้ซักถามอะไรพระนางมั่งเลยหรือไงเนี่ยสางปาสงสัยอยากรู้มากกว่านั้นน่ะแต่ก็ไม่กล้าที่จะทูลถามไดใดทั้งสิน้นเมื่อมีบัญชามาสางปาก็ปฏิบัติไปตามนั้นก็ดีใจอะที่รู้ข่าวว่าพวกเจ้านายจะย้อนกลับมา ได้แต่นับวันรอคอยอยู่เนี่ยก็แปลกดีนี่รู้สึกว่าะจะมีเล่ห์สนยัยรับลมอะไรอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะท่านหัวหน้าคณะรำพึงเบาๆขณะที่พยักหน้าแช่มช้าแนละ้วพูดต่อมาว่าเออแล้วองค์จักรราชอ่ะจะรู้ไหมว่าขณะนี้พระองค์ประทับอยู่ที่ไหน แพทย์หลวงประจำราชสำนักสั่นศีรษะอีกครั้ง <c oughs> ไม่รู้ไม่มีใครรู้ว่าขณะนี้องค์จักรราชประทับอยู่ที่ไหนไม่มีใครเห็นพระองค์มาสามเดือนเศษเท่านี้แล้วฮ <c oughs> ึอนุชากระชยันร้องออกมาพร้อมกันในขณะที่เชษฐาและดารินชันกายหูผึ่งขึ้นทันทีอะไรหมายความว่างไง ที่ว่าไม่มีใครเห็นจักรราชมาเป็นเวลาดาบสามเดือนเศษแล้วนะ่ะในผู้ได้ชัดชเจนดี้ส่างปาดารินอดรนทนอยู่ต่อไปไม่ได้เพราะความใจรอ้อนยิงคําถามมาทันทีส่างปาทําหน้าพิ ก, กลเอามือเกาต้นคออยู่กรากรากก็ไม่รู้ไม่มีใครเห็นพระองค์หรือรู้ว่าพระองค์ประทับอยู่ที่ไหน ในบรรดาข้าราชบริพารเสนาพุทธามาทั้งหลายเพราะไม่ได้ออกบรรลังว่าราชการแผ่นดินมาสามเดือนเศษละขณะนี้ราชินีเมยา น, นีทาหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการว่าราชการแผ่นดินแทนพระองค์มาโดยตลอดแต่ประชาชนทั้งหลายทั่วไปก็หาได้รู้ในสิ่งนี้ไหมก็คงรู้กันเองฉเฉพาะพวกบรรดาอามาต ร, ราชมนตรี ผู้เข้าเฝ้าใกล้ชิดเท่านั้นแหละข่าวนี้เป็นข่าวปกปิดไม่แพร่งพรายออกไปถึงประชาชนทั่วไปด้วยทุกคนของฝ่ายอาคันตุ ก, กะตะลึงพึงเพลิดกันไปหมดด้วยความประหลาดใจขีดสุดอ้าวยุ่งแล้วสิอะไรกันนี่อนุชาและ ช, ชยันอุทานออกมาส่วนดารินร้องมาว่าเอ๊ะแปลกมากเนี่ แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจักรราษหายไปไหนนี่นี่นี่สางปาเจ้าแน่ใจเหร อ, อว่าเจ้าไม่รู้ว่าองค์จักรราชหายไปไหนเชษดฐาช่งโงกหน้าเข้าไปใกล้เน้นเสียงถามช้าช้าชัดถ้อยชัดคำสางปามองศบสายตาทุกคนอย่างเปิดเผยสันสีสะอยู่เช่นนั้นยืนยันว่า สางป้าไม่รู้ใครๆก็ไม่รู้ถ้าจะรู้ก็มีอยู่แค่สองคนเท่านั้นแหละคือองค์ราชินีเมยานีเองแล้วก็ท่านผู้เท่าอราชุนผู้บิดาเท่านั้นแหละไม่มีใครกล้าทูลถามกัอกเรื่องนี้นี่ถามจริงเหะสางป้าในบ้านในเมืองขนาดนี้ในะปกติสุกดีหรือเปล่า หรือมีเหตุการณ์แทรกซ้อนอะไรขึ้นมาอันเป็นภัยต่อราชบัลลังก์ของจักรรารือไม่เรื่องนี้เจ้าน่าจะรู้ดีนะอนุชาเอื้อมือมาเขย่าไหล่สางปาถามมาในขณะที่จ้องขมิงในกลางทุกถึงทุกอย่างในมรกรกนครก็เรียบร้อยปกติดีทุกอย่างอ่ะเรื่องนี้ไม่ต้องห่วง ไม่มีภัยอันตรายใดๆต่อราชบัลลังก์ไม่มีข้าศึกศัตรูภายนอกภายในมาเป็นอันตรายต่อองค์จักรราชบ้านเมืองก็สงบสุขราบรื่นทุกประการองค์ราชินีเมยานีผู้เท่าอรชุนแม่ทัพขุนศึกฝ่ายทาหารและก็อำมาต ร, ราชมมณีฝ่ายพลเรือนทุกคนก็ยังจงรักภักดีอยู่กับพระองค์อย่างแน่นแฟน้นไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่น้อย แต่จักรราษก็ไม่ปรากฏพระองค์ออกว่าราชการแผ่นดินมาสามเดือนเศษแล้วก็อย่างที่สังปาได้บอกไว้อะอจาจจะว่าประชวนก็ใช่ที่นะเพราะถ้าประชวนสังปาก็ต้องรู้สิเออแล้วเจ้าคิดไหมเจ้าแผ่นดินผู้ทรงเมตตาที่คุณของเจ้าอ่ะเสด็จไปไหนเจ้าเคยคิดมั่งหรือปเปล่าเชตถาสักไซ คิดแต่มันพ้นความคิดของสังปลานะ่ะในายใหญ่เออแล้วเจ้าไม่สงสัยมั่งเลยเหรอสางปาห์ชายันขมวดคิว้วแทาจะชนกันถามเสียงสูงก็สงสัยแต่ไม่รู้จะไปหาคำตอบได้ที่ไหนเนี่ยนายทหารอะไร การที่จักรราชหายพระองค์ไปนานถึงเช่นนี้เจ้าหรือพวกเสนาพฤธามาทั้งหลายไม่มีผู้ใดคิดไปในทางร้ายมั่งไงพระองค์อาจจะได้รับภัยอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ทำไมไม่สืบหาความจริงออกไปให้ได้ล่ะสังปาดารินพยายามคาดคันบัดนี้ทุกคนตกอยู่ในเมฆหมอกแห่งความมึนงงพิษสวงไปหมดแล้วก็เริ่มกระสับกระส่าย